คำถามคําตอบเกี่ยวกับวัตถุสิบประการลําดับนั้นท่านพระเรวตะถามท่านพระสัพพากามีว่าท่านผู้เจริญสิงคิโลนะกัปปะควรหรือท่านพระสัพพากามีย้อนถามว่า ท่านสิงคิโลนากับปะนั้นคืออะไรท่านพระเรวตะตอบว่าท่านผู้เจริญการเก็บเกลือไว้ในแขนงเพราะตั้งใจว่าจะฉันกับอาหารรสไม่เค็มควรหรือท่านพระสัพพะกามีตอบว่าท่านไม่ควรท่านพระเรวตะถามว่า พระผู้มีพระภาคทรงห้ามไว้ที่ไหนท่านพระสัพพากามีตอบว่ากรุงสาวัตถีปรากฏในสุตตะวิพังท่านพระเรวตะถามว่าต้องอาบัตอะไรท่านพระสัพพกามีตอบว่าต้องปาจิตตีเพราะสะสมโภชนะท่านพระเรวตะประกาศว่า ท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าเรื่องที่หนึ่งนี้สงวินิชัยแล้วว่าเรื่องนี้นอกธรรมนอกวินยัยเลี่ยงสัสตว์ทุสศ์ผมขอจับสลากที่หนึ่งนี้ท่านพระเรวตตถามว่าท่านผู้เจริญเทวังคุละกับปะควรหรือท่านพระสัพพกามีย้อนถามว่า ท่านทวังคุละกับปะนั้นคืออะไรท่านพระเรวตะตอบว่าท่านผู้เจริญการฉันโภชนะในเวลาวิกาลเมื่อเงาของดวงอาทิตย์เลยเวลาเที่ยงไปสององค์คุลีนั้นควรหรือท่านพระสัพพกามีตอบว่าท่านไม่ควรท่านพระเรวตะถามว่า พระผู้มีพระภาคทรงห้ามไว้ที่ไหนท่านพระสัพพากามีตอบว่ากรุงราชเครืปรากฏในสุตตะวิพังท่านพระเรวตตถามว่าต้องอาบัตอะไรท่านพระสัพพากามีตอบว่าต้องปาจิตตีเพราะฉันโภชนะในเวลาวิกาลท่านพระเรวตะประกาศว่า ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าเรื่องที่สองนี้สงวินิจฉัยแล้วว่าเรื่องนี้นอกธรรมนอกวินัยเลี่ยงสัตรูศาสตร์ผมขอจับสลากที่สองนี้ท่านพระเรวตะถามว่าท่านผู้เจริญคารนตระกับปะควรหรือท่านพระสัพพากามีย้อนถามว่า ท่านคามันตระกับปะนั้นคืออะไรท่านพระเรวตตตอบว่าท่านผู้เจริญภิกษุฉันเสร็จแล้วห้ามพัฏตาหารแล้วคิดว่าจะเข้าละแวกหมู่บ้านในบัดนี้แล้วฉันโพชนะที่ไม่เป็นเดนควรหรือท่านพระสัพพากามีตอบว่าท่านไม่ควร ท่านพระเรวตะถามว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามไว้ณที่ไหนท่านพระสัพพากามีตอบว่าณกรุงสาวัตถีปรากฏในสุตตวิพังท่านพระเรวตะถามว่าต้องอาบัตอะไรท่านพระสัพพากามีตอบว่าต้องปาจิตตีเพราะฉันโพชนะที่ไม่เป็นเดน ท่านพระเรวตะประกาศว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าเรื่องที่สามนี้สงวินิจฉัยแล้วว่าเรื่องนี้นอกธรรมนอกวินยัยเลี่ยงสัตว์ทุสรดผมขอจับสลากที่สามนี้ท่านพระเรวตะถามว่าท่านผู้เจริญ อาวาสกับปะควรหรือท่านพระสัพพกามีย้อนถามว่าท่านอาวาสกับปะนั้นคืออะไรท่านพระเรวตะตอบว่าท่านผู้เจริญอาวาสหลายแห่งที่มีสีมาเดียวกันจะแยกกันทําอุโบสถควรหรือท่านพระสัพพกามีตอบว่าท่านไม่ควร ท่านพระเรวตะถามว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามไว้ที่ไหนท่านพระสัพพากามีตอบว่ากรุงราชครึปรากฏในอุโบสถสังยุตท่านพระเรวตะถามว่าต้องอาบัตอะไรท่านพระสัพพากามีตอบว่าต้องอาบัตทุกกฏเพราะล่วงพระวินยัย ท่านพระเรวตะประกาศว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าเรื่องที่สีน่นี้สงฆ์วินิจฉัยแล้วว่าเรื่องนี้นอกธรรมนอกวินัยเลี่ยงสัตว์ศาสตร์ผมขอจับสลากที่สีน่นี้ท่านพระเรวตะถามว่าท่านผู้เจริญอนุมติกับปะ ควรหรือท่านพระสัพพกามีย้อนถามว่าท่านอนุมติกับปะนั้นคืออะไรท่านพระเรวตะตอบว่าท่านผู้เจริญสงแบ่งเป็นพวกกันทำกรรมด้วยตั้งใจว่าจะให้ผู้มาแล้วอนุมัติควรหรือท่านพระสัพพกามีตอบว่าท่านไม่ควร ท่านพระเรวตตถามว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามไว้ที่ไหนท่านพระสัพพากามีตอบว่าปรากฏในเรื่องพระวินัยในจำเปยะขันธกะท่านพระเรวัะถามว่าต้องอาบัตอะไรท่านพระสัพพกามีตอบว่าต้องอาบัตทุกกฏเพราะละเมิดพระวินยัย ท่านพระเรวตตประกาศว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าเรื่องที่ห้านี้สงวินิจฉัยแล้วว่าเรื่องนี้นอกธรรมนอกวินยัยเลี่ยงสัตว์ทุสัดผมขอจับสลากที่ห้านี้ท่านพระเรวตตถามว่าท่านผู้เจริญอาจินนะกับปะ ควรหรือท่านพระสัพพกามีย้อนถามว่าท่านอาจิ น, นะกัปปะนั้นคืออะไรท่านพระเรวตะตอบว่าท่านผู้เจริญการประพฤติล่วงเกินด้วยเข้าใจว่าสิ่งนี้พระอุปชาของเราประพฤติมาสิ่งนี้พระอาจารย์ของเราประพฤติมาควรหรือ ท่านพระสัพพะกามีตอบว่าท่านสิ่งที่พระอุปชาอาจารย์ประพฤติมาบางอย่างควรบางอย่างไม่ควรท่านพระเรวตะประกาศว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าเรื่องที่หกนี้สงวินิจฉัยแล้วว่าเรื่องนี้นอกธรรมนอกวินยัยเลี่ยงสัตว์ศาสตร์ ผมขอจับสลากที่หกนี้ท่านพระเรวตะถามว่าท่านผู้เจริญอมะทิตะกัปปะควรหรือท่านพระสัพพากามีย้อนถามว่าท่านอมะทิตะกัปปะนั้นคืออะไรท่านพระเรวตะตอบว่าท่านผู้เจริญนมสด ที่ละความเป็นนมสดแล้วแต่ยังไม่ถึงกับเป็นนมเปรี้ยวภิกษุฉันเสร็จแล้วห้ามพัตตาหารแล้วจะดื่มนมสดที่ไม่เป็นเดนควรหรือท่านพระสัพพกามีตอบว่าท่านไม่ควรท่านพระเรวตะถามว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามไว้ณนะที่ไหน ท่านพระสัพพกามีตอบว่าณกรุงสาวัตถีปรากฏในสุตตวิพัง์ท่านพระเรวตะถามว่าต้องอาบัตอะไรท่านพระสัพพกามีตอบว่าต้องปาจิตตีเพราะฉันโภชนะที่ไม่เป็นเดนท่านพระเรวตะประกาศว่าท่านผู้เจริญ ขอสงจงฟังข้าพเจ้าเรื่องที่เจ็ดนี้สงวินิจฉัยแล้วว่าเรื่องนี้นอกธรรมนอกวินยัยเลี่ยงสัตว์ศาสตร์ผมขอจับสลากที่เจ็ดนี้ท่านพระเรวตะถามว่าท่านผู้เจริญการดื่มชะโลคิควรหรือไม่ท่านพระสัพพกามีย้อนถามว่า ท่านชัโลคินั้นคืออะไรท่านพระเรวตะตอบว่าท่านผู้เจริญการดื่มสุราชนิดอ่อนที่ยังไม่แปรเป็นน้ำเมาควรหรือท่านพระสัพพากามีตอบว่าท่านไม่ควรท่านพระเรวตะถามว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามไว้ณที่ไหน ท่านพระสัพพากามีตอบว่าณนะเมืองโกสัมพีปรากฏในสุตตวิพังท่านพระเรวตะถามว่าต้องอาบัตอะไรท่านพระสัพพากามีตอบว่าต้องปาจิตตีเพราะดื่มสุราและเมรยัยท่านพระเรวตะประกาศว่าท่านผู้เจริญ ขอสงจงฟังข้าพเจ้าเรื่องที่แปดนี้สงวินิจฉัยแล้วว่าเรื่องนี้นอกธรรมนอกวินัยเลี่ยงสัตวศาสตร์ผมขอจับสลากที่แปดนี้ท่านพระเรวตะถามว่าท่านผู้เจริญผ้าปูนั่งไม่มีชายควรหรือท่านพระสัพพะกามีตอบว่า ท่านไม่ควรท่านพระเรวตะถามว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามไว้นที่ไหนท่านพระสัพพกามีตอบว่าณนะกรุงสาวัตถีปรากฏในสุตตวิพังท่านพระเรวตะถามว่าต้องอาบัตอะไรท่านพระสัพพกามีตอบว่า ต้องอาบัตปาจิตตีที่ชื่อว่าเฉทะนกะท่านพระเรวตะประกาศว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าเรื่องที่เก้านี้สงวินิจฉัยแล้วว่าเรื่องนี้นอกธรรมนอกวินยัยเลี่ยงสัตวุศาสตร์ผมขอจับสลากที่เก้านี้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 ท่านพระเรวตะถามว่าต้องอาบัตอะไรท่านพระสัพพากามีตอบว่าต้องอาบัตปาจิตตีเพราะรับทองและเงินท่านพระเรวตะประกาศว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าเรื่องที่สิบนี้สงวินิจฉัยแล้วว่าเรื่องนี้นอกธรรมนอกวินยัย เลี่ยงสัตวุศาสตร์ผมขอจับสลากที่สิบนี้ท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสงฆ์วินิจฉัยวัตถุทั้งสิบประการนี้แล้วว่าเรื่องเหล่านี้นอกธรรมนอกวินยัยเลี่ยงสัตวุศาสตร์เพราะเหตุอย่างนี้ท่านพระสัพพกามีกล่าวต่อไปว่าท่านทั้งหลาย สง์วินิจฉัยอธิกรณ์นั้นสำเร็จเรียบร้อยดีแล้วอันหนึ่งท่านพึงถามถึงวัตถุทั้งสิบประการนี้กับข้าพเจ้าท่ามกลางสง์เพื่อให้ภิกษุเหล่านั้นยอมรับทั่วกันต่อมาท่านพระเรวตะได้สอบถามวัตถุสิบประการนี้กับท่านพระสัพพากามีในท่ามกลางสงท่านพระสัพพากามี เมื่อถูกถามได้ตอบแล้วในคราวสังคายานาพระวินัยครั้งนี้มีภิกษุเจ็ร้อรูปพอดีดังนั้นบัณฑิตจึงเรียกการสังคายานาพระวินัยครั้งนี้ว่าสัตตะสติกะ สัตตสติกะขันธกะที่สิบสองจบในขันธกะนี้มียี่สิบห้าเรื่อง